เทศนาแผนที่75ลาดับที่18โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่6พฤษภาคม2558มีชื่อเรื่องว่าปฏิปทาวัดป่าบัานตากตอนที่2 วันนี้เป็นวันที่หพฤษภาคมพุทธศักราช2องพันรอาพระในวัดของเราส1อรูปสมณะหนึ่งนาค่าเมื่อวานเป็นวันชัดมงคลเป็นวันครองครองราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นวันที่พระองค์พระองค์ประกาศว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยเป็นธรรมโดยธรรมพระองค์ขอปกครองมาโดยธรรมจริงๆอยู่ในทศพิต ร, ราชธรรมตามประเพณีเป็นที่ยอมรับของประสกนิกรทั่วนหน้าพระองค์รักษาพระวาจารักษาสัตว์ที่ได้ตรัสไว้กับพี่น้องประชาชน เมื่อวานเป็นวันฉัตรมงคลพวกเราพระสงฆ์พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมขอเชิดชูบูชา <c oughs> ในพระองค์ท่านแล้วก็เมื่อวานตอนเช้าตู่ขาบอกว่าฝนตั้งแต่วันที่ย1เอ็ด วันที่ยี่สิบเอ็ดวันเกิดของหลวงพ่ออวันที่ยี่สบเจ็ดวันเกิดหลวงพ่อฝนอไม่ตกเพราโชนั้นก็กลัวฝนตกไงเพราฟ้าพายุเข้ามาพอดีอฝนตกรอบซ้ายรอบขวารอบหน้ารอบหลังเขาก็กลัวเต็นท์จะเสียหายอีกโอ้ยหลวงพ่อจึ ง, งขอจะให้ฝนตกหลวงพ่อเออ เดี๋ยวจะเสกคาถาพอจากนั้นมาฝนก็เลยไม่ตกจริงๆวนซ้ายวนขวาพอวันงานจริงๆก็ตกพอไปปลอ่อยเยน็นๆสบายหน่อยหนึ่งอย่างนั้นก็ฝนก็ร้องหน้าร้องหลังฟ้านะวันก่อนเมื่อคืนกลางคืนก็ร้องแต่ฝนไม่ตกตู้ขาก็บอกโอ้โลงพ่อคาถาลงพ่อนะคงจะ อ, อย่างคุ้มของจะมั่งขอให้ลงพ่อ ลัละขาถาสักหน่อยเลเมื่อวานหลวงพ่อคงจะละคาถามั้งโอโ้ลมมาอย่างแรงเลยต่อๆตทั้งลมทั้งฝนเออคงหลวงพ่อจะขาถาหลวงพ่อคงจะปล่อยแรงเกินไปเมื่อวานเลยแต่ามจริงๆถ้าเป็นเกลียวก็คงจะปล่อยเกลียวออกออกมากเกินไปนะแต่ตามไม่จริงน่าจะปล่อยออกน่อยๆ เมื่อวานุอันตรายนะ่ยดูดูแล้วแต่ข้างหลังวัดไม่มีอะไรแต่ก็แปลกเหมือนกันนะ อ, อแถวศาลาของเราเนะี่ยดูต้นไม้โอโหโอนเอ็นน่ากลัวมากแต่ทางในครัวก็ไม่มีอะไรที่ต้นไม้ต้นให ญ, ใหญ่ควบคุมแต่ศาลาของเราก็ไม่มีอะไรคราวนี้ไม่เสียหายถามพระสงฆ์ก็ไม่มีอะไรแต่มี ข้างนอ ก, กมีแต่พวกพระกางเต็นท์ลงมาแล้วก็ลมกระแทกเต็นท์พังไม่ใช่เต็นท์แบบผ้าม่านนียหลวงพ่อก็บอกเมื่อลงมาเมื่อวานเห็นผ้าม่านเปิดลงมาเอ้ยผ้าม่านต้องปิดขึ้นเก็บไว้เก็บไว้เพราะมันลมอันนี้สําหรับการฝนมันไม่มีลมไม่มีอะไรยังค่อยเปิดกดลงมาหมุนลงมาปิด <c oughs> ถ้ามันลมแรงอย่างนี้นจะมาใช้ได้ยังไงไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่จะมาใช้อย่างนี้ไปขึ้นพอปิดขึ้นพระอพโงค์ โ, โ, โ, โ, โ, โ, โ, โง่มาเองเอาลงเอาลงเอาลงมันเอาลงทำไมเอาขึ้นนั่นนะคือความคิดเห็นเนี่ยมันมันแปลกเพราะนั้นพระทุกองนะฟังอยู่ที่นี่เนะีหลวงพ่อไม่ได้พูดให้เสาสลาฟังนะ พูดให้พระฟังเวลาลมมาแรงๆ <c oughs> ผ้าม่านอย่าเอาลงมันไม่ใช่เรือใบพอจะกลางลมเวลาผ้าม่านกั้นซาลาเวลาลมมาแรงๆปิดไว้ก่อนยอมเปียกยอมเสีย เ, เพราะอะไเพราะว่ามันมันลมมามันเสียหายมากกว่านะฟังๆดูซิ อผ้ามา่านเพวกเราคิดวิธีราคาเท่าไหร่ฟังหลวงพ่อถามๆวนะ่าเท่าไหร่ผ้ามา่านเ่อผ้ามา่านซาลาผ้ามาาา่านเสองแสนหกครับหลวงพ่อพุทธนะสองแสนหกกับซาลามันเปียกทำความสะอาดหน่อยหนึ่งอันไหนอันไหนมันมันคุณค่ามันยังไง ทาว่าคนโง่มันก็คิดไม่ออกนะแต่ว่าพระที่ฉลาดมีความคิดมันก็ต้องคิดออกอันไหนเป็นอันไหนควรไม่ควรอย่างไรนี่แหละที่เราอยู่กับองค์หลวงตามหาบวที่พูดเมื่อวานท่านสอนให้พระใช้ปัญญาให้พวกเราฟังทั้งหมดหลวงตาไม่ได้ ใ, ใช้ความซื่อบือ้อความเซ่อความโง่แปลว่าเข้าไปแล้วตรงหมุนรอบตัวเลย เออเอ อ, เ อ, อ้าทางง่าอกไหนเสื่อเสื่อไปวัดตกขอบปล่ออกจากวัดง่ายง่ายเออคาพูดของหลวงตาแต่ละคําเนี่ยอย่ามาให้นักใจนะอย่ามาอยู่ที่นี่นะถ้าไม่ตั้งใจหนีเออวัดนี้ไม่ต้องการคนที่ไม่ต้องไม่ท่านไม่ทั้งใจอย่าอยู่ให้หนักวัดหลวงตา พูดคำนี้แหละเป็นคําที่ประจําตัวของท่านเองเลยคือท่านไม่งอไม่เอถ้าไม่ง้อใครถ้าว่าพระไม่ตั้งใจอยู่ทําไมอยู่ให้หนักวัดนะตาไม่จริงดินมันก็รับรองอยู่แล้วใช่ไหมหนักวัดะไม่ใช่หนักวัดเราหนักใจท่านนะีน่แหละอันนี้คื อ, คองานทุกอย่างเรื่องทุกอย่างที่เข้าไปอยู่กับองค์หลวงตาเนะี่ย ที่หลวงพ่อพูดเมื่อวานเนี่ยทบทวนความจําให้กับลูกหลานได้ยินได้ฟังที่หลวงพ่อเข้าไปอยู่กับองค์ท่านแต่หลวงพ่อขอพอเข้าไปที่แรกก็คิดว่าจะไปที่อื่นๆนอ่ะพอเข้าไปตีวัดป่าบ้านตาดแล้วก็คงจะไปที่อื่นเพื่อศึกษาเรียกว่ากบเลือกนายลักษณะอย่างนั้นะเลือกครูบาอาจารย์ออ แต่หลวงตาหลวงปูบ่บววท่านให้ความคิดว่าอย่าไปดูที่อื่นนะดูที่ใจนะ่ะอันนั้นก็คือเป็นเครื่องสะเทือนส่วนส่วนหนึ่งละ่ะแต่ได้พอมาถึงวัดหลวงตาท่านก็มอพูดบอกกล่าวแนะนำแล้วก็ฟังเทศคืนแรกหลวงพอ่ออืมหลวงตาเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เราได้ปะเรายอมรับยอมรับลึกๆล ก, กในใจเลย หาความโต้ตแย้งไม่ได้หาความถกเถียงไม่ได้วิธีการพูด ว, วิธีการแนะนำของท่านออกมาเนี่ยเรายอมรับเลยยอมรับด้วยหลักเหตุผลนี่นะคือที่ประชุมวันแรกจากนั้นก็ดูแนวปฏิปทาของท่านที่พระอยู่ด้วยกันทั้งพระฝรัง่งทั้งพระไทยอยู่ด้วยกันประมาณสักสิป สิองค์ในช่วงนั้นไม่ถึง20่สิบองนะแต่พระฝรังเขาก็ทํางานอีกจวนหนึ่งเท่าที่จะทําได้แต่พระไทยต้องหนักกว่าเพราะทําหน้าที่อะไรต่อไม่อะไรแต่พระฝรังเขาก็มาช่วยขนน้ําเขน็นน้ําอะไรลักษณะนะั้นเพราะเป็นหน้าที่ของทุกองค์จะต้องได้ใช้รถเข็นส่งตามห้องน้ําตามที่กุฏิต่างๆพอตกตอนเย็นก็ใช้ประมาณ3ามสี่สี่รถ สี่รถเข็นทั่ววัดนะสามสี่รถเข็นทาวาอยู่รอบอยู่รอบรอบนะแล้วก็ใช้ประมาณส3บสามปิบที่ตกตักใส่โอ่งลางบาตแล้วก็รอบสาราถ้าไปไกลๆเราก็ใช้ประมาณสักปดปิบ<ม> เ, เพื่อให้ทางไกลประมาณคล่องตัวจากนั้นก็พอเต็มก็พวงที่รอสูบสูพวกพระหนุ่มๆนมๆลักษณะสูบน้ำ ใช้เครื่องโยกนี่แหละอันนี้ก็คือการเป็นอยู่ของของของพระที่วัดป่าบ้านตาดไม่มีไม่มีมมมมเหเรื่องเครื่องน้ําประปงประปาเครื่องสูบน้นะํานั่นไม่มีแต่สมัยนั้นมีไหมมีแต่ลงตาม่ให้ใช้ลงตากร็รมาตรฐานจะเป็นใช้อะไรพอหลวงพ่อออกมาแล้วออกมาแล้วนะปีสอนห้ายยี่สิบ มีการขุดสะและมีการเจาะบอ่อบาดาลทางในครัวจึงมีเครื่องสูบน้ำขึ้นมาหลวงพ่อออกมาแล้วนะแต่ขณะหลวงพ่ออยู่นะไม่มีเครื่องสูบน้ำไม่มีมีแต่เครื่องโยกสูบน้ำภายในวัดกระส่งตามสถานที่ต่างๆแต่สรุปแล้วก็คือทั้งพระฝรั่งทั้งพระไทยอยู่ด้วยกันกันด้วยความ รบเย็นเป็นสุขนะ เ, เรื่องทะเลาะวิวาทกันอนย่าได้มีแต่โดยมากเราสังเกตสังเกตดูโดยมากพระฝรังใจร้อนนะให้ข่าว่าเป็นอุปนิสัยของท่านเาพราะท่านศึกษามาทางนั้นคือพื้นเพรประเณีเถ้ามีอะไรโฮโมโหแต่หลวงพ่อเนี่ยไม่เอาหลวงพ่อเนี่ยรู้จักทางหลบทางหลีก เพราะหลวงตาบอกเลยเหลวงตาเลบใครก็ตามนะพระไทยนะไปทะเลาะกับพระต่างชาตินะพระฝรั่งนะมีเรื่องมีราวนะเราจะไล่พระไทยออกนะเพราะอะไรเพราะพระฝรั่งเขามาข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อการศึกษาขนาดใดขนาดหนึ่งพวกเราเป็นพระไทยต้องหยวน่นเพราะว่าพระฝรั่งเขาไม่รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี เขากำลังมาศึกษาอยู่เราจะไปใช้โมลงาโลโมโหโกธาให้กับเขานะ่ไม่ได้นะไม่ถูกนะพระไทยต้องมีความอดท น, นนะต้องรู้จักนะเราเป็นเจ้าของบ้านนะเจ้าของถิ่นนะอย่าไปทะเลาะ ก, กับพระต่างชาตินะพระฝรั่งนะ้าองค์ไหนทำไม่นะนะั้นเราเล่อ น, นี้จกวัดนะเราไม่ให้อยู่นะอันนี้คือหลวงตาท่าน ท่านกำหลับนะกำหลับพระไทยเอาไว้เพราะฉะนั้นถึงจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพระไทยก็ต้องต้องอดทนเพราะถือว่าเป็นพระต่างชาติเขายังไม่รู้ขนบรรมรำเนียมประเพณีของครูบาอาจารย์แต่เขามีความเคารพนับถือเลื่อมใสในในธรรมะเราเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของประเทศเราก็ควรจะจิตใจต้องเย็นหยวนลักษณะอย่างนั้นแหละ นี่เราอยู่ด้วยกันเหมือนเหมือนกับพี่พี่น้องๆถ้าเขาทำอะไรไม่เป็นเราก็ทำช่วยเขาเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเป็นพระพี่เลี้ยงพระฝรัง เ, เกือบทุกองค์องค์ไหนไม่มีผ้าตลกบาดสายบาดผ้าเจียวอนขาดอาะไรลักษณะอย่างนั้นที่เราทำได้นะเราหลวงพ่อเนี่ยทได้ทุกอย่างนะอัธาบริขาร เพียงแต่ทาตีเข็มกับตีบาทไม่เป็นเท่านั้นนะแต่ถลกบาทดปะตีนบาทเออเหล่านี้แหละหลวงพ่อทําได้ทั้งหมดเอ่อสำหรับดูองค์ไหนบริขารองคไหนเอ่อดูแล้วไม่ต้องบอกเออเราดูดูให้แล้วก็จัดการให้เลยเออถือว่าเป็นพี่พี่น้องๆอยู่ด้วยกันไม่กี่องค์นะนั่นแหละอยู่ได้ด้วยกันถ่อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน รักกันเหมือนพี่พี่น้องๆไม่มีอะไรอยู่ด้วยกันผู้ใหญ่กันี้หลวงปู่บุญมีหลวงปู่ี ล, ป ล, ปลเป็นพี่ชายอยู่ด้วยกันเราก็เป็นองค์ที่องค์ที่สี่ที่5้าเพราะนั้นสมัยก่อนมีท่านยูนทิทนน่ท่านยูนท่านจอนที่รองลงมาหลวงพ่อก็เป็นองค์ที่ห้าที่ห้าที่หกแต่หลวงพ่อบวชก่อนบวชก่อนท่านปัญญานะานปัญญาวุฒโธ ท, ท่านเชอร์รี่ ท่านเจอรี่กับท่านปัญญาเนีบวชปีเดียวกันบวชที่วัดโบวอนปีศูนย์แปแต่ท่านบวชเดิน6แต่หลวงพ่อเนี่ยบวชเดินสแก่กว่าท่านสเดือนเพราะนั้นเวลาไปท่านบางคนเห็นท่านปัญญาหรือท่านเจอรี่กราบหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยหน้าหน้าจ้อยๆหน้าเล็กๆแต่ท่านเหล่านั้นเป็นพระผู้เท่าท่านกราบ คือกราบตามประเพณีอายุพรรษาโภทนั่นก็โอ้ทำไมพระผู้เท่าจะไม่กราบกูบาหนุนม่นมๆพอหลวงพ่อบวชก่อนท่านท่านถือตามอายุพรรษาแต่ไหนแต่ไรมาล่ะโดยมากพระกรรมฐานเคารพในอาวุโสพนเตนั่นหละหลวงพ่อบวชก่อนท่านท่านบวชที่วัดบว ร, บรนะท่านปัญญาท่านเชอรี่เนะี่ยบวดกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ยานะสังวร อ, องที่ท่านชินพระชนไป น, นี่แหละยังไม่ได้พระราชทานเพิงหลวงพ่อบวชก่อนบวชเดินสามแต่ปีศูนย์เหมือนกันนี่แหละเวลานั่งตรงพ่อก็ต้องนั่งก่อนเดินก่อนเพราะเป็นพระ อ, อาวุโสนี่แหละแต่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเอ3สหรือว่าเทบคาเสร็จเนี่ย พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังอยู่ทุกวันนี้เน่ย เ, เป็นผลงานของท่านปัญญาวุโทโธนเาเป็นท่านปัญญาวุโทโนะเป็นผู้มีพระคุณสําหรับพวกเราทุกพุทธบริษัทเรื่องเป็นลูกศิษย์ของลูงตามหาบวชเป็นเยี่ยมเป็นที่หนึ่งเรื่องที่ท่านมองไกลนะท่านมองไกลแต่ท่านเชอร์รี่เป็นคนที่มีฐานะรวยเป็นคน พ่อของท่านกันนะเป็นเป็นเจ้าของน้ำมันแล้วก็นเนี่ยท่านก็ส่งมีท่านมีฐานะนะท่านจะรีด้ร ว, วยกว่าทุกองแต่ท่านก็ได้ปัจจัยมาท่านก็ท่านพญาต้องการอะไรได้สั่งซื้อเทปกรุนเด็กหลวงพ่อยังจำไม่ลืมเพราะมันมีอยู่กรุนเด็กเทปม้วนกลมความวัด ตะโกนมนเป็นม้วนเหมือนกับนี่นะม้วนสายเทปของเราเนี่ยนะเทปวัดถนนโหนทางเนี่ยนะหลักกิโลเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้แหละเทปสมัยเก่าเออต่เทปจริงๆเหมือนกันอนะืมมันเป็นแถบวัดมันม้วนกลมประมาณห้าหกนิ้วนะโอ้ม้วนใหญ่แต่ใช้ทานทั้งสิบสองก้อนเนี่ยเทปกรุณนเด็กนั่นหละเอามาอัดหลงตาท่านสามามถจากประเทศเยอรมันเลยละ่ะ ท่านเจรท่านปัญญาเป็นคนเป็นคนดูแลอัดธรรมเทศนาลงตาเตเสียงชัดนะชัดดีมากพอต่อมาอีกท่านองค์ข้มนมรีดร็อเตอร์ชาวท่านไปญี่ปุ่นพันก็ไปเห็นเทพคาเสร็จนกว้างประมาณสักคืบหนึ่งประมาณไม่ถึงคบืบยาวประมาณจะคืบกว่าแบนหนาก็ประมาณสักสาสนิ้วนะ ท่านก็มาให้ท่านปัญญาโอ้ท่านปัญญาได้เทพคาเสร็จมุดตัวนี้เราทุกชิตท่านพอใจอย่างมากเลยท่านทนุถนอมอย่างดีท่านก็มาอัดเทศธรรมเทศนาของหลวงตาเนี่แหละอันนี้หลวงพ่อเคยอธิบายให้ฟังในวิธีการอัดเทพของท่านปัญญาวุฒโธเนี่ยท่านทําอย่างไรสรุปแล้วก็คือท่านปัญญาวุฒโธพระฝรังท่านนี้น่ย เป็นผู้มีคุณอูปการต่อสิทธญานุสิตต่อพวกเราอย่างมากที่พวกเราได้ฟังพระธรรมเท ศ, เทศนาทุกวันนี้เนะี่ยเป็นผลงานของท่านปัญญาวุฒโธพูดอย่างนั้นได้แล้วก็เป็นผู้ท่านปัญญาวุฒท่านเชอร์ดี้เป็นผู้สนับส น, นุนต่อมาคุณหมอเพนสีไปจําบัรษาที่บ้านตาดท่านปัญญาวุฒโธต้องการอะไร มูลหมอเป็นสีสนับสนุนหมดเอออย่างไม้ตัวหนึ่งทำไมก่อนราคา 8,000 มันมีที่ไหนได้สั่งจากเยอรมันราคาคา8พันชื่อบายเยอร์นะหลวงพ่ อ, อยังจำไม่ลืมเออแล้วก็ซื้อแคเเครื่อ ง, ง, งเทฟมาจากเยอรมัน อ, อีกวูเฮอราคาหมื่นกว่าบาทมีหลายเครื่องที่ให้ท่านปัญญาคือสนับสนุน คุณหมอเป็นสีก็ใช่ย่อยเหมือนกันนะมองไกลเหมือนกันคือเห็นคุณค่าในการธรรมเทศนาขององค์หลวงตาสนับสนุนท่านปัญญาอย่างสุดๆต้องการอะไร ม, ไม้วนเทปในนู้ดเท่าไหร่ต่ไรส่งมาให้สั่งมาให้ที่ใช่ทําอำธรรมเทศนาของหลวงตา น, นี่แหละอันนี้ก็คือความเป็นมาของเทปคาเซ็ต เรื่องว่า MP3 ต่อมานะพอต่อมารุ่นหลังๆหลว ง, งพ่อไม่ได้อยู่หลวงพอ่อไม่ต้องพูดถึงละมีถ่ายวีดีโอองค์ถ่ายวีดีโออันนั้นอีกหลวงพ่อไม่อยู่และปี25งหลวงพ่อออกมาแล้วแต่หลวงพ่อพูดในขณะที่หลวงพ่อยังอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดนะัดเป็นยังไงในการที่การอยู่ของพระฝรั่งและพระไทย อยู่ด้วยด้วยการฉันฉันพี่น้องนะแต่ท่านปัญญาเป็นคนมีปัญญานะทำอะไรละเอียดทีท่วนหลวงตาไว้เนื้อเชื่อใจถ้าจะทำงานสมัยก่อนหลวงปู่บุญมียังอยู่ท่านก็สั่งงานให้ทำอะไรกับหลวงหลวงปู่ท่านก็สั่งหลวงตาท่านสั่งถ้าสั่งองค์ไหนแล้วคือองค์นั้นท่านจะไม่ได้สั่งล่ำรีล่ำไหล ไม่ได้สั่งทุกองนะสั่งองค์ไหนให้ทำอะไรองคนั้นก็ต้องมาบอกหมู่เออพ่อแมู่จอจารย์สั่งอย่างนี้อย่างนี้ให้ทำนี้นะครับพวกหมู่ก็ต้องปฏิบัติตามคือไม่ต้องไม่จาเป็นจะต้องไปสั่งทุกองค์ไม่ต้องไปพูดให้ทุกองคเออองไหนองนั้นถ้าหากว่าถ้าสั้นสั่งองค์นี้แล้วเออองนี้หมอบอกหมู่ไม่ฟังองค์ไหนที่ไม่ฟังบอกมาท่านบอกบอกมา ถ้าไม่ฟังพระไม่ฟังถ้าองค์ไหนยังไม่เชื่อฟังที่บอกไปแล้วไม่เชื่อฟังบอกมาเลยบอกมาได้จะทำางไงท่านไล่นีจจากวัดทันทีเลยเมันจะให้เราไปบอกทุกคูทุกคนเหรอบอกคนเดียวมันน่าจะจบนละมันทำไมมันมาอะไรมาเพื่อการศึกษานะมาการศึกษาก็ต้องฟังสิมาเพื่อการศึกษาครูบาอาจารย์พูดอะไรมูพวกเพื่อนพูดอะไร มาจะมาคอยฟังแต่เราพูดคนเดียวเหร อ, เ, อ, อเมื่อเราสั่งไปแล้วมันก็ปู่พวกเพื่อนพูดให้ฟังมันก็ต้องฟังฟังก็ต้องศึกษาถามกันถามถ่ายกันเป็นยังไงมายัางไงจากนั้นก็รับไปคือมันเป็นธรรมที่เป็นศีลเป็นธรรมแต่ถ้าว่าขัดข้องเออไม่พอใจหรือตรงไหนฟังดูแล้วไม่ไม่ชัดเจนเออเขามาถามเราเปิดให้ถามให้ถามได้ หลวงตาท่านมีเหตุมีผลของท่านนะในการดูแลพระสงฆ์ในการดูแลแต่ตอนเช้าเนี่ยพอท่านออกมาจากห้องของท่านแล้วท่านก็ถือถือตลับมากกับผ้าจีวรผ้าด้ายโดยมากพวกเราก็มาถูสลาอย่างที่ว่าดจากนั้นท่านก็ลงมาท่านก็กราบพระกราบก็เป็นจางเขาปฏิษติจริงๆ ก, กราบด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนกราบหกครั้งกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กราบเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช อ, อ, องค์ผอมๆนะี่ที่เป็น พ, นพระนพวงศ์เป็นเชื้อเจ้านะท่านองค์สมเด็จพระสังฆราชองค์นี้ อ, อที่เราศึกษาประวัติดูแล้วเป็นผู้มักน้อยสันโดษเป็นผู้ใฝ่ในธรรมเป็นผู้มีคุณธรรมในจิตใจ เราน้อมรับยอมรับลงตาเนี่ยท่านไม่ใช่ว่าจะน้อมรับยอมรับทุกคนไม่ใช่นะลงตาเนี่ยเลือกนะองค์นะี้เป็นผู้มีคุณธรรมเป็นผู้ใหญ่แต่ไม่ลืมตัว เ, เรายอมรับเราน้อมรับในปฏิปทาของท่านเจ้าพกุลสมเด็จประสังขราชองค์นีน้จากนั้นก็กราบหลวงปู่มัน่นกราบเจ้าพกุลสมเด็จกราบเจ้าคุณธรรมเจดีย์ เสร็จแล้วท่านก็กราบพ ร, ระนมมือใส่บนศีรษะตั้งจิตอธิษฐานอะไรเราไม่รู้ล่ะ mm hmm. เสร็จแล้วท่านก็มานั่งมานั่งที่นั่งของท่านตอนนั้นท่านก่็กายบริหารนะท่านก็เอาขาเหยียดออกแล้วก็ก้มหัวลงลวท่านก็ดัดนะดัดกายของท่านนะตามอัธยาสายัยพวกเราก็ถูสโลงซาลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วกัน พวกพระที่มาเอาผ้ามาก็ซ้อนเป็นสังคาตินะ <c oughs> ซอนสังคาติอย่างนั้นค่้นกลองผ้าบินทบาทแต่หลวงพ่อไปอยู่ใหม่ๆครั้งแรกหลวงพ่อกับบินทบาทตามหลังท่านนะตามหลังหลวงตาไปบินทบาทได้สองสามวันนะท่านก็นเหลือกเห็ น, นเห็นหลวงพ่อเฮยรพระน้อยพระนมอย่ามาเตินตามหลังเราสายนี้มันรู้จักไหมมันสั้น ก็ให้พระผู้เฒ่าพระสุขภาพไม่ดีพระที่นั่นเดินตามองพวกนั้นพวกพระน้อยผหนุ่มจะมาเดินตามหลังเราไปไปสายอื่นมันมีสองสายนะอยากให้เราได้บอกของเพียงแค่นี้หลงตาท่านท่านพูดอะไรนะท่านจะไม่พูดแบบปณิป น, มนอมน้อมแนมนะแปลว่าพูดอะไรไปวัติเด็ดขาดลักษณะอย่างนั้นนะ หลวงพ่อโว้ยจากนั้นหลวงพ่อก็ไม่เคยปบินธบาตสายหลวงตาเลยนะมาบิณธบาตสายหลวงปู่บุญมีมันมีสองสายสายตะวันออกกับสายทะวันตกหลวงตาบิณธบาตสายทะวันออกเนี่ยสั้นกว่าแต่พวกรอนบิณธบาตสายทะวันตกออกก่อนออกไปออกไปแต่เช้าห่างกันประมาณสิบนาทีนะก็ไม่ไม่ไกลกันเท่าไหร่หรอกประมาณ 10- บหรือนาทีนะ่ย ลูกเตากับบางทีก็มาพร้อมกันบางทีก็มาก่อนนิดหน่อยบางทีกับล้าหลังเนี่ยอันนี้ก็คือการบินธบาติที่วัดป่าบ้นตาท่านหลวงตาบินสายตะวันออกหลวงพ่อกับหลวงปู่บุญมีนมี่สายตะวันตกแต่ท่านหลวงปู่ลีไปนี่ยหลวงปู่ลีจะบินธบาตสายตะวันออกกับหลวงตา <c oughs> ไปกับหลวงตาท่านเชอรี่ท่านพระฝรั่งโดยมากไปสายหลวงตา แต่หลวงพ่อน่ไปหลวงปูป่บญมีโดยมากปเป็นพระหนุ่มๆนะพระเดินคล่องทั้งหมดนะไปบินทบาททางสายตะวันตกนะแต่เวลาออกบินทบาทเนี่ยเวลาออกบินทาบาตอนเช้านี่หลวงตาหลวงตาท่านบอกว่าอย่าเดินห่างกันเกินไปนะให้เดินได้เป็นระยะห่างกั น, นประมาณสักห้าหกเก้าก็พอเลยล่ะอย่าไปเดินห่างกันเพราะศรัทธาญาติโยมก็ไปทําไรทํานาน่ะ พอไปเห็นพระเขาก็นั่งประนมมือเพราะนั่งประนมมือแล้วก็พอจะลุกขึ้นไปอีกรงหนึ่งมาอีกปนมมืออีกเขาเสียเวลาเขาเพราะนั้นรู้เรารู้ว่าเขาจะนั่งเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าเดินห่างกันเกินไปอย่าอย่าเดินห่างกันถ้ า, าเดินห่างกันชาวบ้านเขาเสียเวลาเขาจูงวัวจูงควายมา เขาจะจูงไปผ่านไปพระไปก็ยังไงขาดความเคารพเพราะว่าเขาเคารพพร ะ, ะเราต้องอย่าห่างกันเกินไปเพราะฉะนั้นเวลาเดินบินเท่าบาทนะครับท่านเขาไม่ให้เรียงแถวหรอกบางทีเน้นน้อยเดินก่อนพระก็ได้แต่เขาเดินห่างแต่ไม่ให้เดินแบบ อ, อะไรเข้ากันหรือว่าเดินคล้ายคล้ายกับเดินช้าๆเลยองหน้าเดินช้าเอินตรงเอิน องหลังเดินช้าตามนะ่ยไม่ใช่องค์หน้าต้องมองเหือบถ้าองค์หลังอยู่ใกล้ก็ต้องพยายามเดินให้เร็วถ้าโดเองเดินไม่เลยก็ต้องเดินตามหลังไอ้ใครไม่ต้องพูดกันะต่างองค์ก็ต่างเดินไปบินทบาทแต่องค์ไหนก็ตามองค์ไหนสูป่ปรีถ้าใครองค์ไหนเคยสูป่ปรีนะสูป่ปรีเวลาบินทบาทถ้าท่านได้เห็นเท่านั้นหรือว่าท่านได้รู้เท่านั้นไล่นี้ออกจากวัดทันที อันนี้ก็คือเป็นกฎเด็ดขาดขององตาบินทบาทคือบินทบาทเราเดินโปรดสัตต้องสํารวมระวังอย่าคุยกันตัวท่านเองท่านที่ท่าน ท, าทั้งที่ท่านฉันหมากนะติดหมากฉันหมากแต่เวลาบินทบาทท่านไม่ฉันหมากเลยนะงดเลยการฉันหมากไม่มีท่านไม่ฉันหมากเวลาเดินบินทบาทออกบินทบาทแต่บินบาทของท่านท่านจะไม่ให้ใคร ไม่ให้ใครเอาบาดของท่านอันนี้ไม่มีไม่มีองค์ไหนเนี่ยเวลาออกจากบินทบาทท่านจะเอาบาดของท่านขึ้นบาปั๊บออกจากที่ท่านตะพายบาดเองเลยขนาดท่านเจ็ดสบปดสิบีท่านก็ยังตะพายบาดเองเวลาออกเวลาจะลุกบินทบาทท่านจะใส่บาดพาดบาดหนึ่งอย่างที่พวกเราเห็นนั่นเดินบินทบาทไปถึงบ้านก็ไม่มีไม่มี ไม่มีพระเล็กเนนน้อยหรือใครเอาบาทหลวงตาไปก่อนแล้วท่านเดินแต่ตัวเปล่าไปไม่มีฮเฮอันนี้คือฝั่งเอาไว้เหมือนกันนะ่ะคือหลวงตาเนี่ยเอาไปทําไมเออมันเบาบาทมันเบาอยู่แล้วจะไปเดินแกว่นแขวนแขนไปทําไมเอาบาทของใครของเรามาเอาบาดมานี่ล่งตาจะจะพายบาทของท่านเองสมัยหลวงพ่ออยู่นะท่านไม่ให้ใครเลย อันนี้เวลาไปบินทบถัดเวลากลับมาก็เหมือนกันเวลากลับมา ก, ก็พวกภาค ก, ก็ตรงเดินแบบเดินอะไรของใครของเราตามองค์ต่างเดินแต่หลวงตาก็เดินตามหลังมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยแต่พวกเราก็เดินเป็นกลุ่มออกมาเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็คือบินทบาทัแต่ถึงยังไงก็ตามอย่าคุยกันถ้าคุยกันถ้าเห็นพระเดินคุยกันจับหมู่ข้อเคียร์กันนะ่ะถ้าหลวงตาเห็นแล้วก็ เราระวังไม่นานหรอกอสอนซะก่อนอย่านะออพอครั้งที่สองครั้งนี้สามกับใครอใครเป็นหัวจกใครเป็นผู้นําในการคุยกันอกนั้นหนีนะออย่าอยู่ให้เราหนักใจนะเราสอนพระให้เป็นพระที่ดีนะเราจะมาทําให้หมูเสียเหรออทําให้เสียพวกเก่าๆ น, น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดี ตัวอย่างถ้าเก่าๆถ้าตัวอย่างไม่ไดียนเล่าเลยนหนีจากวัดนะใครจะไม่กลัวอะไรแ่เนี่อออย่างนั้นก็นต่างคนก็ต่างภาวนาของใครของเร า, าเวลาไปบินทบาทพ่อกลับมามาแจกอาหารโอ้ตัวนี้ใครๆก็หลวงพ่อจะได้เขียนใส่กระดาษไว้เลยนะ <c oughs> <c oughs> บางจมานึกถูดูแต่นี่ก็ยังขำอยู่เหมือนกัน่ะ เ, เวลาแจกอาหารเวลาแจกอาารเอาอาหารไปแจก พอแจกเสร็จแล้วถ้าก็มองนะแจกไอ่หม้อมันหม้อหูหนะม้อโลใช่ไหมมันมีสองหูใช่ไหมล่ะเอามันมีสองหูนะ เ, เสร็จแล้วจะไปจับหม้อหูเดียวนะบอกบอกค่ยๆว่าเป็นเป็นเรื่องล เ, ล, เล่าเลยแล้วงานนถ้าองค์ไหนลืมจับหม้อหูเดียวไม่ว่าพระฝรัง่งไม่ว่าพระไทยแล้วโอ้ มันยังไงพระองค์นี้ล้วบอกไม่รู้กี่ครั้งเลยฮะมันทําไมจับมัหูเดียวใครว่าจับห้องมือเดียวท่านว่าหูมันจะเสียกันนะหูมันจะแบบต้องจับกลางหมอ้อเวลาจะตักอาหารแจกพระอันนี้ให้จำเอาไว้ถ้ามันหม้อหนักใครให้พระสององค์จับทั้งสองหูองค์หนึ่งเป็นคนตักใส่บาตรจะไม่ให้จับหอมหม้อหูเดียวงัดหูเดียวข้างเดียวอย่างเนี้ย อ, อถ้าว่างัดจับหม้อหูเดียวโอ้ เพอๆจะไล่หนีจากวัดอีกตรงนั้นอีกเนีหลวงพ่อไปอยู่ใหม่ๆจนหลวงพ่อได้เขียนใส่กระดานไปเลยว่านะออย่าลืมจะแจกแจ ก, กอาหารอย่าลืมจับหม้อหูเดียวหลว ง, ง, งพ่อได้เขียนบันทึกไว้เลยงย่านั้นเลเออันนั้นเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่น่าคิดทีเดียวเลยอันนั้นก็คือแจกอาหารเวลาการแจกอาหารขบอนกัร แจกต้องมองดูบาไม่ใช่ว่าตักรถตากลดไปไม่ได้นะตัวคนรัแจกอาหารต้องมองแต่หลวงพ่อไปอยู่นะ่ะในขณะที่อยู่เป็นปีที่ยี่ปีสองพันห้ารยี่สิบห้าเนี่ยยังมีการแจกอาหารอยู่นะแต่มาช่วงหลังๆนี่ท่านใส่รถเข็นหรืออะไรหลวงพ่อออกมาแล้วนะหลวงพ่อไม่ได้อยู่แล้วนะในขณะที่หลวงพ่ออยู่นะยังจับยังตักอาหารแจกกันอยู่อแจกจน ค ร, ครบทุกองบางทีท่านมีปลามะมีปลาทูนมาบอกว่าเออไปแจกทุกองนะเราอยังไม่เอานะเราอยังไม่เอานะไปไปแจกไปองนั้นเนี่ยเซ่อๆไปกรจาแจกแจกแจกแจกแจกก็มาคอยรับหมออีกฮะเป็นไงปลาเมื่อกี้นี่ครบกันไหมครบครับฮะครบไหม ครบครับเราบอกได้ยินไหมบอกว่าเรายังไม่ได้เอามันจะครบยังไงในเมื่อเรายังบอกว่าเรายังไม่ได้เอาทำไมมันเซอร์นะักท่านมันไม่มีปัญญาไม่มีความคิดเลยเหรอกพระหัวกุนเปดหัวกุนดวงปูรวงตาแต่นโดยมากเป็ดหัวกุนฮะด่าพระนี่แหละ อันนี้ก็คือการการแจกอาหารของพระต้องดูนะแต่โดยมากพริกพกพริกกับน้ําปลานี่จะส่งไปที่หลังท่านจะไม่จะไม่ให้แตกแจกนะพริกเนี่ยไม่ให้แจกส่งใส่ถาดไปส่งส่ ง, ส, งส่งไปให้ตักเลือกอเอาใส่ที่ตรงไหนองค์ไหนเอาองค์ไหนไม่เอาพอมีพระฝรั่งเอาพระฝรั่งไปแจกพริกใส่ให้พระฝรั่ง พระฝรังก็ฉันพริกไม่ได้ใช่ไหมตัวแดงคือทั้งตัวมันเผ็ดเพราะเขาไม่เคยกินพริกเนี่ยใช่ไหมอันนี้ท่านก็ส่งไปตามส่งไปองค์ไหนก็เอาก็ได้โดยมากพระฝรังท่านเอามะนาวกับน้ำปลานะใส่บาตของท่านแต่พริกบางองค์ก็เอานะแต่ชันชจัลลีเอาชันจัลลีชอบพริกนะเอฉันพริกชันจัลลอแต่องค์อื่นไม่เอากันปัญญานะี่ยไม่แตะเลย <c oughs> นี่แหละ พอต่อมาหลวงพ่อเองเป็นคนตักอาหารต่อหน้าท่าน เ, าเวลาเวลาแขกคนมาอย่างหลวงพวกเราท่านทั้งหลายมาอย่างนี้นะมันมีอาหารสมัยนั้นก็คืออาหารในครัวโยมบรรดาตักมาประมาณสามสีหม้อหม้อหนึ่งแกงฟักใสไก่หม้อหนึ่งแกงหมูใสฟักแกงหนึ่งหม้อหนึ่งก็ซุปมักขนมอ ลักษณะอย่างนั้นแ่ะแล้วก็มีพิกมีอาหารหลวงตาท่านก็บรรยาว่าอะไรฉันอย่างนั้นแ่ะเอางั้นเถองงะเออหลวงพ่อกับฉันพราเราไม่ได้มาหาอยู่หากินกินอะไรอะเด็ดอร่อยพอประทังชีวิตได้ก็เอาละพอ่อเออหลวงตาท่านสอนพระสอนเด่ยท่านไม่ได้สอนให้ติดรถติดชาติไม่ได้อยู่สอนอยู่ชอนกินนะเพราะนั้นหลวงพ่อเองเห็นไหม หลวงพ่อมาอยู่กับสูตเจ้าทั้งหลายโอ้หลวงพ่ออยากจะฉันนั้น น, นั้นอยากจะฉันอันนี้อันนั้นอันเ็ดอร่อยเหลือเกินเนี่ยมันเป็นนิสัยของหลวงพ่อมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยหลวงพ่อจะไม่พูดวันนี้อาหารดีเล้เอาฉันวันนี้ไม่ดีเราไม่ไม่ดีก็ฉันน้อยสิแต่เร่าไม่ฉันเฉลยก็ยังได้ฮเราไม่เคยฉันอาหารเฉลยก็ยังได้ฮนี่แหละเราเป็นนักพรตนักบวชจะให้ได้อย่างใจเราได้เหรอมันไม่ได้ เป็นอาหารของเขาเขาให้วันนี้เด็กของดีมากก็ได้ดีกินดีแต่วันไหนไม่ได้ดีจะไปหากินดีได้ยังไงแต่ อ, อยากกินดีทำยังไงไม่ต้องบวชจะมาอยู่วัดทําไมานี่แหละชีวิตของนักพรตนักบวชหลวงตาท่านสอนอย่างนั้นนะเพราะนั้นอยู่กับโยมมารดาของท่า น, ท, านท่านคนนะั้นแต่คนอื่นอยากจะมาทำนะท่านไม่ให้ทําเพราะมารดาเพราะว่อาอดิจันจะขอทําเลี้ยงพระ เออเอาหโยมปล่อยให้โยมบรรดาธรรมแต่ชาตทาญาติโยมมาถวายหลวงพ่อเนี่ยดูต่อหน้าท่านหลวงพ่อจะตักตักตัก ต, ก ต, ก ต, กตกอาหาราสมมติว่ามีวันนี้มีแขกมากสามโม่สามกลมหลวงพ่อก็ตักสามถ้วยอย่างละถ้ ว, ถวยลวถวล้วยลวถ้วยลวถ้วยมีพกมีอะไรพร้อม เ, อเสร็จแล้วก็จด ใส่เรียงเรียงไว้กันเต็มถาแล้วก็ปิดจนว่าเอาถาดมาอีกมีกี่หมู่แขกวันนี้หลวงพ่อเป็นคนจัดอาหารใครเขา้าก่อนที่จะจัดอาหารน่ยตาเหลืองหมอกนุ่มองด้แล้ววันนี้เราจะจัดอาหารให้กี่พวกกี่หมู่ครับแต่เข้ามาเป็นคนกลุ่มเดียวกันเราก็เราก็เอาถ้วยเดียวก็พอสามี่คน4ีห้าคนนี่แหละจากนั้นเราก็แจก พวกผักพวกอะไรอีก อ, อยูต่อหน้าองค์หลวงตาแต่บางสิ่งบางอย่างหลวงตากับกรชับเรานะ เ, าเรากรรชับเราให้ในให้ในพูดให้ในอย่างท่านเห็นทุเรียนหรือว่าเห็นของแปลกอาหารแปลกพวกปลาพวกอะไรที่โยมบรรดาของท่านชอบและฉันได้ทานได้เนี่ยผู้เท่าเนี่ยหรืออาหารพวกขนมอะไรหลวงตาจะบอก เป็นปเปลยๆขึ้นมาเรามาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาแห่งนี้นะเรามาอยู่เพราะโยมมานดาของเรานะเพียงแค่นี้เราก็สะดุ้งละเรามาอยู่เพราะโยมมานดาของเรานะเพราะนั้นอาหารอันไรก็ตามเพื่อโยมมานดาเราต้องโยมมานดากระองค์หลวงตาเนี่ยถือว่าเสมอการเราต้องจัดอให้ท่านได้เห็นแล้ววันนี้คือโยมมานดาที่ทรงในถาด อาหารโยบมบรรดาเราก็ตักตั ก, ต, กตักใส่โยบมบรรดาแต่อาหารในหมอ้อเราก็ให้โยบมบรรดาเหมือนกันนะพอยบมบรรดาทําเสร็จแล้วทั้งกระสุมาทั้งหมดท่านก็ไม่เอาไว้ในครัวอีกเพราะนั้นเราจะตักเสร็จถวดถัดแล้วก็ให้เด็กใส่ใส่ลถเข็นเข้าไปโยบมบรรดาของท่านโยบมบรรดาของท่านเมื่อทานอาหารเสร็จแล้วก็ผู้เท่าใช่ไหมทานอาหารเสร็จแล้วท่านก็เก็บไว้อีกสําหรับผู้ที่ลูกหลานที่ มาทํางานอาที่เก็บว่าให้ลูกหลานมาได้อยู่ได้กินอกีกถ้ามันมันหิวนะนะท่านก็เก็บว่าอีกตอนจนถึงตอนบ่ายท่านมีคนมาท่านก็ค่อยเอาให้คนไปนี่แหละเราอยู่ต่อหน้าท่านแต่มาคิดอีกจุดหนึ่งอีกเหมือนกันอ่ะหลวงพ่อมาเพียนาดูแลอือเอเราก็ได้ยินได้กิตติศักดิ์จากหลวงปูล่ลาศหลวงปูล่ลาท่านบอกวันนี้นะหลวงตามาหาบวญอยู่กับหลวงปู่มั่นเป็นพระผู้เท่านะ ถ้าอาหารอะไรที่พระผู้เท่าจะฉันได้หลวงตามหาบัวจะเก็บเก็บเก็บในบาทแลว้วเก็บองไหนมาเสร็จแล้วท่านก็เห็นหลวงปู่มั่นนั่งเผอเผอท่านก็ใส่บาทหลวงปู่มัน่นป๊าปแป๊บเร็วจิ้งกว่าอะไรหลวงปู่มัน่นเออเอาละพอมันแกแล้วไม้แกแล้วเท่าแกแล้วจะไปกินอะไรเหมือนกับต้นไม้มันแกแล้วจะใช้ปุ๋ยอะไรก็เท่านั้นแหละไม่ต้องมาจุ่งกระเลาะล็อก อันนี้คือหลวงปู่มั่นท่านพูดหลวงปู่ลาพูดนะแต่เราก็ได้ยินกิตติศัพท์อย่างนั้นเราไปอยู่กับองค์หลวงตาเนี่ยเราก็ได้ทําอย่างที่วาเนี่ยเอออย่างที่หลวงปู่ลาแนะนําอาหารอันไหรที่หลวงตาชอบฉันนะบอกมันของมีน้อยนี่ยเราก็เก็บเก็บไปพอหลวงตาเผลอปั๊บเราก็ใส่บาตให้ท่าน่ท่านก็ปัดมือแต่ท่านเชอรี่นะท่านเชอรี่เนี่ยเก่งกว่าเพื่อนนะที่จะมาใส่บาตรบางทีหลวงปู่ลีก็เหมือนกันนะ หลวงปู่ลีเนี่ยใส่ใส่ให้อง์หลวงตาแต่หลวงปู่วันมีท่านก็ห่างๆเพราะท่านไม่คล่องแขล่วหลวงปู่วันมีแต่หลวงปู่ลีเนี่ยถถายอยู่อแต่หลวงพ่อเนี่ยถาวายเอถาวายองคหลวงตานะอท่านเจอรี่เนี่ยถ้าจะว่าไปลวงชื่อท่านเจอรี่เนี่ยเหนือกว่าฮะเหนือกว่าใครอื่นที่ใส่บาทหลว ง, งตาเนี่ยแหละแต่หลวงตาเนี่ปัดมือเนฮะ้มายุ่งกับเราวะ แต่ถ้าว่าจุ่งจุ่มเหยิงวุ่นวายเกินไปเงยเงเสอเสือเสืซะเอาเอาอีกแล้เน oui. no ี่ยไล่อีกโยนของออกโยนออกของจากบาตออกอีกจะมายุ่งอะไรกับเราวะเออเป็นเรื่องแล้วทีนี่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องหาจังหวะหาเวลาหาเวลาอันนั้นเหมือนกันนี่อันนี้ก็คือการที่ดูแลปนิบัติเอที่องหลวงตาแต่หลวงพ่อมาพิจารณาดูอีกทีนี้ ก็คงจะเป็นอนนิสงอันนั้นก็มังหลวงพ่อไปปิ่นบาท ไ, ไหนคนแย่งกันใส่บาดในว่าหลวงพ่อจะมมาคิดถึงจุดนั้นนะพ่อคิดพอพอมาขเห็นคนใส่บาดขึ้นมามากๆเมื่อไหร่หลวงพ่อคิดถึงตัวเองได้ใส่บาดแบบใส่บาดให้หลงตาแบบแบบแย่งใส่บาดนะลักษณะอย่างนั้นนะแต่เนี่เป็นความคิดเฉยๆนะ อแต่มันเป็นความคิดพอคนมาใส่บาตรมากๆแย่งกันใส่บาตหลวงพ่อก็มาคิดถึงจุดนั้นอีกเหมือนกันะออมันทําให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนกันนะในหละวิธีการฉันเวลาฉันหลวงตากอเหมือนกันท่านฉันด้วยความสํารวมระหว่างมากถ้าเปิดเทปเปิดวีดีโอดูก็ได้ท่านฉันจะไม่มองใครเลยจะไม่พูดคุยกับใครถ้าพูดคุยกับคน่ะท่านจะไม่พูดเวลาฉันไม่พูดกับใครเลย ฉันด้วยความระมัดระวังฉันด้วยความสำรวมจริงๆฉันด้วยการเห็นโทษเห็นภัยจริงๆเพื่อประทังเพื่อประคองธาตุขันเท่านั้นเองไม่ได้ฉันเพื่อเล็ดอร่อยไม่ได้ฉันเพื่อมูมาไม่ได้ฉันเพื่อลุ่มลุ่มหลงมัวเมาฮะฉันด้วยความระมัดระวังฉันเวลาม้วนอาหารม้วนเวลาม้วนผักต้องหมวนอยู่ในบาต เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยเป็นคำเลยยังค่อยเอาเข้าไปเดีย๋ยวเวล า, าแตงก็ดีมะเขือก็ดีอันใดก็ดีที่มันดังกรอบกรอบกรอบนละท่านสอนเลยนะเวลาเอาเข้าไปในปากอย่าไปเคี้ยวแบบกรอบกนะอบกอบเลยอออาเข้าไปในปากเราต้องกดแรงๆซะก่อนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามยังเคี้ยวมันค่อยไม่ดัง แต่ยัดเข้าไปแล้วไปเคี้ยวถั่วบก่กเคี้ยวแตงบอกเคี้ยวที่ของที่มันดังมันก็ดังเลยสิมันโง่นะนก็สังเกตสิอันนี้ก็คือหลวงตาท่านสอนคือไม่ให้มันมีเสียงดังในขณะที่เคี้ยวอาหารจากนั้นท่กนนกาก่อนยมวนผักซะก่อนยังค่อยเอาเข้าไปในปากเวลาเอาข้าวใจบาดเหมือนกันเวลาได้ข้าวมานะท่านจะมายกขึ้นมาจากเหนือบาด หลวงตาเห็นเลยฮ้ยทำไมมันโง่นักพระเเวลาข้าวอยู่ในบาศมันยกขึ้นมาทําไมมันทาไมอยู่ในบาศมีเท่าไหร่ก็ทําให้น้าบาศนั้นมันเก็บไว้ที่ไหนอย่างไงอันนี้ยกขึ้นมาปั้นอยู่ข้างบนเ่ขี้ก้อนใหญ่ขี้ก้อนเล็กให้เขาเห็นหมดทําไมโงน่นักสิ่งเหล่านี้หลวงตาสอนหมดนะเอสอนความรอบขอบของพระของเนรลูกศิษย์ลูกหาของท่าน สรุปแล้วคือลหลวงพ่อได้เรียนได้ศึกษามากับวงหลวงตาเนี่ยหลวงตาเนี่ยดุจรุกแล้วกดระเบียบดุไปพราพราะนั้นหลวงพ่อจึงบางทีบางคนมาเห็นหลวงพ่อหัวเราแล้วฮโอหลวงพ่ออินคือใจดีเนาะแต่พระเนนของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่ออินไม่ใช่ธรรมดาเนี่ย เพอะไรกันเนี่ยหลวงพ่อฝึกมาฝึกมากับฝึกมากับพ่อก่อกับครูนะผูกฝึกมาด้วยความเด็ดเดี่ยวอาถานแต่หลวงพ่อไม่ได้ถึงเสี่ยวนะคณะทายาทโหยมลูกหลานนะหลวงพ่อไม่ได้ถึงเชี่ยวของหลว ง, งตาหรอกแต่หลวงพ่อพูดให้ฟังก็คือแนวปฏิปทาหลวงตาพาดําเนินให้เป็นแนวเอาไว้ถ้าลูกหลานจะถือเป็นอุปนิสัยจะถือเป็นนิสัยจะถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ก่อนแนวนี้แนวที่หลวงพอ่พอได้พูดให้ฟังคนะวันนี้ได้พูดเสียยืดยาวนะเดี๋ยวครูบา ท, ทั้งหลายจะหิวอาหารหลวงพอ่อมีโอกาสยังค่อยพูดให้ฟังในครั้งต่อไปเอกนะรับพอในะต่เนินะ